ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าขอมอบตัวเป็นสิทธิของท่านขอนับถือท่านเป็นสรณะที่พึ่งทางใจตลอดไปอย่าเลยเวนทุกะคำพูดทั้งหมดที่อาตมาบรรยายมานี้หาเช่ความคิดของอาตมาไม่แต่เป็นพระโอวาทของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธะผู้บรมครูของอาตมาขอท่านจมน้อมใจถึงพระองค์เป็นที่พึ่งที่ระลึกเถิด ภูกะได้เปลงวาจาถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วอัมลาเพื่อเดินทางต่อไปยานครราชพฤก์เพื่อเยี่ยมญาติและศึกษาพระธรรมเพิ่มเติมจากสำนักพระเทวทัตตมหาเทระฝายจุลคลก็เกิดอยากจะไต่รุงราชคฤก์ขึ้นมาบ้างจึงได้อัมลาเดินทางไปกับวินทุกกะดีแล้วที่เขาเปลี่ยนใจ เพราะถ้าเดินทางไปด้วยกันเขาจะต้องลำบากมากคนทั้งสองออกเดินทางไปแล้วและพระอาทิตย์ก็บ่ายคล้อยมากแล้วด้วยรัศมีและความร้อนอ่อนลงเราจะออกเดินทางมุ่งหน้าไปสู่ทิศตะวันตก ก็มาถึงโดยบ้านใหญ่แห่งหนึ่งริมฝั่งแม่น้ำสุรศดีเห็นทีจะต้องพักค้างอยู่ที่นี่สักคืนแต่นับว่าโชคไม่ดีเลยบนศาลาที่พักคนเดินทางมีคนพักอยู่ก่อนแล้วจนแน่นขนัดหาที่ว่างไม่ได้เลยทำยังไงดีล่ะ เวลาที่พักแห่งนี้แล้วยังมีสถานที่อื่นที่สมณะพอจะอาศัยพักค้างคืนได้บ้างไหมยังมีอีกแห่งหนึ่งท่านพักได้แน่นอนแต่อยู่ไกลจากที่นี่นะไกลแค่ไหนก็บอกมาเถอะอาตมาคิดว่าไปได้จากที่นี่ไปทางทิศเหนือจะมีอารามน่ารื่นรมแห่งหนึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัญญาสีสัญญาสีเป็นใครเป็นผู้สละกเพศคาวาะออกหาความสุขสงบใจ ในบ้านตายของชีวิตอาตมาจะไปพักที่นั่น <c oughs> <c oughs> ส ญ, ญาสีเป็นสถานที่น่ารื่นรมจริงๆซะด้วยเป็นเดินทายงดงามต้นมะม่วงขึ้นเป็นป่าทึบ ก, กิ่งและใบปิดกันเป็นหลังคากระท่อมเล็กๆของพวกสัญญาสีตั้งอยู่เป็นระยะในระหว่างต้นไม้อ๋อเห็นสัญญาสีคนหนึ่งแล้วกำลังนั่งบําเรอไปด้วยไม้จังอยู่หน้ากระท่อมเข้าไปถามไถ่คนผู้นี้ดูดีกว่า ข้าพเจ้าใครจะขอรบกวนหน่อยเถอะท่านต้องการอะไรข้าพเจ้าเป็นผู้เดินทางไกลมาถึงอารามแห่งนี้เวลาใกล้ค่ำตั้งใจจะหยุดพักผ่อนที่นี่ถ้าท่านไม่ขัดข้องข้าพเจ้าใครจะขอพักผ่อนด้วยสักหนึ่งราตรีเรื่องนี้ท่านพูดกับข้าพเจ้าไม่ได้หรอกข้าพเจ้าไม่มีสิทธิ์แล้วจะให้ข้าพเจ้าพูดกับใครล่ะ ท่านต้องไปพูดกับสัญญาสียมทักขเนนั่งอยู่หน้ากระท่อมโนนะหวังว่าท่านคงเห็นท่านผู้นั้นเป็นใครเป็นหัวหน้าของพวกเราข้าพเจ้าจะไปหาท่านผู้นั้น สียมทัทคณีกำลังนั่งบูชาไฟอยู่เช่นเดียวกันเขาเป็นนักพธราผมแลนหนวดขาวสีขาวตัวเปล่าปกปิดอวัยวะเบื้องล่างด้วยผ้าย้อมฝาดพื้นเล็กๆนั่งรุบที่เท้าบริกรรมอะไรเพมพันเมื่อได้ยินเสียงเดินเขาจึงลืมตาขึ้นและจ้องมองได้ดวงตาอันคมกริบคล้ายตาเหยี่ยว ท่านเป็นใครอมาจากไหนข้าพเจ้าสมณะสักกายบุตรเดินทางมาจากกรุงราชฤทธ์ตั้งใจจะขออนุ ญ, ญาตท่านพักผ่อนในอารามนี้สักหนึ่งราตรีก่อนจะออกเดินทางต่อไปท่านพักที่นี่ไม่ได้ท่านไมห้ข้าพเจ้าพักเขาออแล้ว เพราะอะไรท่านเป็นนักบวชไทยโลกเป็นสิทธของาศาสนาต่างองค์ไม่สามารถจะพักที่ที่ได้ขอเชิญท่านลีไปแสวงหาที่พักแห่งอื่นตามประสงค์คือท่านนักพรตแม้ข้าพเจ้าจะเป็นนักบวชในาศาสนาอื่น mm hmm. ข้าพเจ้าก็เป็นนักบวชพูทธศาแล้วซึ่งโล ก, กียวิสัย สแสวงหาความสงบสุขใจเช่นเดียวกับท่านวัวก็ย่อมไปสู่ฝูงวัวช้างก็ย่อมไปสู่ฝูงช้างสมณะก็ย่อมไปหาสมณะเป็นของธรรมดาขอได้โปดรดอนุาตให้ข้าพเจ้าพักด้วยเถอะท่านผู้ทรงครสเพราะนี้ก็จวนจะคําอยู่แล้วแต่เราเรามีกฎอยู่ว่าแ้วไม่ยอมให้นักวัวตายนอกเข้ามาพักอาศัยในนั้นขาด สัญญาสีผูเป็นประมุขอารามแห่งนี้ในอดีตได้บัญญัติขอกดดีไวเพราะอาศัยสสาติที่ได้ฟังมาจากพระพรมผู้เป็นเจ้าของเราอีกต่อหนึ่งเพราะเชนั้นกฎขอนี้ถึงไม่ใช่กฎของมนุษย์แต่เป็นกฎของพระพรมผู้เป็นเจ้าที่ดีเท่านข้าพเจ้าได้ทราบ ม, มาจากพระเวทอันเก่าแก่ว่า พระพรมผู้เป็นเจ้าทรงเป็นเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ทรงอยู่ชัว่วนิรันดรนไม่มีเบื้องต้นไม่มีที่สิ้นสุดทรงเป็นผู้สร้างสิ่งทั้งปวงอย่างนั้นจริงหรือไม่จริงที่เดียวสมณะทางเข้าไคยถูยกต้อแล้วพระพรมผู้เป็นเจ้าทรงสร้างสิ่งทั้งปวงรวมทั้งมนุษย์และกสัตร์รวมทั้งข้าพเจ้าและกษทุกท่าน พระพรหมผู้เป็นเจ้าทรงสร้างท่านและข้าพระเจ้าขึ้นมาก็หมายความว่าข้าพระเจ้าและท่านต่างก็เป็นบุตรของพระพรหมด้วยกันมีพระพิดาองค์เดียวกันเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็ควรจะอยู่ร่วมสถานที่กันได้ข้าพเจ้าก็น่าจะพักอยู่ในอารามของท่านได้แล้วทั้งสองเป็นบุตรของพระพิดาองค์เดียวกันกอตามแต่ว่าท่านเป็นบุตรในเรือนคุณ ไม่เคารพนับถือองค์พระบิดาจึงไม่้มควรจะได้อยู่อาศัยในอาหารของพระองค์ท่านอาศัยเหตุผลอะไรจึงยืนยันว่าข้าพเจ้าเป็นลูกเดรัจคุณไม่เคารพนับถือองค์พระบิดาก็ท่านเป็นพระสมณะสาคยาบุตรสาวกของพระสมณะโคดมไม่ใช่เหรอถูกแล้วข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระสมณะโคดม เป็นผู้เลื่อมใสและปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระสมณโคดมแต่ในเวลาเดียวกันข้าพเจ้าก็าปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระพรมผู้เป็นเจ้าด้วยปฏิบัติแค่ไหนข้าพเจ้าขอถามท่านก่อนว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ย่อมเกิดขึ้นและดำเนินไปตามพระบัญชาของพระพรมผู้เป็นเจ้าใช่หรือไม่ใช่ ไม่มีสิ่งดใดเกิดขึ้นเองและก็เป็นไปเองนอกเหนืออำนาจของพระองค์ถ้าอย่างนั้นสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วไม่ว่าดีหรือชั่วถูกหรือผิดย่อมเกิดขึ้นตามอำนาจการบันดาลของพระพรหมผู้เป็นเจ้าโคอันเป็นสัตว์ที่มีคุณค่าต่อมนุษย์ให้ปันจะโครถแก่มนุษย์ก็เกิดขึ้นเพราะการบันดาลของพระพรหมอ ง, องเดียวกันใช่หรือไม่ หรือพระองค์สร้างเฉพาะสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์สุขแก่มนุษย์เหล่านั้นพระองค์ทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างที่มีคุณค่าแก่มนุษย์ทั้งสิ่งที่เป็นอันตรายแก่มนุษย์ดีละ่ะท่านผู้ทรงพลดจดจําคําของท่านไว้ให้ดีเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นจากพระพรหมผู้เป็นเจ้าพระพุทธศาสนาเป็นหลักคําสอนแบบหนึ่งซี่เกิดขึ้นแล้วดํารงอยู่ ก็เกิดจากการสร้างสารรค์ของพระพรหมผู้เป็นเจ้าเหมือนกันใช่หรือไม่ตอบสิท่านผู้ทรงครสเอาละข้าพเจ้าจะถืออ า, าการนิ่งของท่านเป็นการตอบรับว่าพระพุทธศาสนาก็เป็นผลงานสร้างสารรค์ของพระพรหมเหมือนกันก็เมื่อพระองค์ทรงสร้างพุทธศาสนาขึ้นมาพระองค์ก็คงมีจุดประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งในพระทย การที่พุทธศาสนาดำรงอยู่ได้ก็แสดงว่าพระองค์ยังทรงพริทักษารักษาอยู่การที่ข้าพเจ้าหันมาเลื่อมใสและบวชในพระพุทธศาสนาก็เพราะการดนบันดาลของพระองค์เมื่อข้าพเจ้าปฏิบัติตามความมุ่งหมายของพระพรมผู้เป็นเจ้าอย่างเคร่งครัดเช่นนี้จะเรียกว่าข้าพเจ้าเป็นลูกในรคุณได้ยังไงอืมจริงของท่านข้าพเจ้าลืมคิดถึงขอ้อดี พระพรหมเป็นเจ้ายิ่งใหญ่และลำลึกเกินวิสัยมนุษย์จะเข้าใจได้พระองค์สร้างความดีแต่พระองค์ก็ทรงสร้างความทั่วขึ้นมาเป็นของคู่พระองค์ทรงสร้างลักปรากแต่ก็ทรงสร้างมาหาโจรขึ้นมาด้วยพระองค์ทรงสร้างคนที่เคารพบูชาสรงเสริญพระองค์ แต่ก็ไม่ไหวที่จะสร้างคนบางคนขึ้นมาเพื่อให้ดาพระองค์เองข้าพระเจ้าไม่เข้าใจจริงๆเอาละท่านสมณะไหนๆท่านก็เป็นบุตรของพระผมเหมือนกันแม้จะเป็นรับบวชนอกศาสนาก็เป็นไปตามบรรดาลของพระผมนับบวชท่านได้ปฏิบัติตามความมุ่งหมายของพระองค์เหมือนกัน ข้าพเจ้าจะอนุญาตให้ท่านพักในอารามของเ้าตามประสงค์ทั้งด้านรู้นหละมีกระท่อมวางอยู่หลังหนึ่งเชิญท่านไปพักพนตามสบายเถึดขอบใจท่านผู้ทรงโรด จิวอไว้อย่างที่อันสมควรแล้วก็นั่งน้อมใจระลึกถึงพระบรมศาสดาสันเสริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณแล้วสํรรวมจิตตรวจตราดู ก, กิจวัตรและการรักษาศีลตลอดวันนั้นมีอะไรขาดตกบกพร่องบ้างไม่พบว่ามีอะไรเสียหายก็เกิดปิติใจอุทิศส่วนกุศลให้แก่บิดามารดาครูอาจารย์ ลุคเทวดาผู้อาจจะสิงสถิตจยุดที่ป่ามะม่วงแห่งนี้ตลอดถึงสันตานิกายทุกหมู่เหล่าในสามภพและเอ็นตัวลงนอนทันทีก็ต้องสะดุ้งพุดลุกขึ้นนัง่งที่หน้ากระท่อมมีใครคนหนึ่งเย็ยนอยอู่นึกว่าใคร ท่านผู้ส่งครองนันเองเชิญโอ้ท่านยังไม่นอนใช่ไหมยังท่านมีอะไรเหรอเขาพระเจ้ายันติดใจคําพูดของท่านตอนมาขอพักอาศัยอยากจะขอสนทนาประสาทด้วยจึงมาพบกับท่านอีกครั้งหนึง่งเขาพระเจ้ายินดีที่จะสนทนากับท่านเหมือนกัน น, น, นานๆจะได้มีโอกาสพบ และสนทนากับนักพรนผู้เจริญด้วยวุธิและวิทยาวุธิอย่างท่านแม้เราจะแตกต่างกันโดยเพศพันธุ์และาศาสนาแต่เราก็เป็นสมณะผู้เว้นจากบาปอากุศลและภาวะกังวลทางโลกีเหมือนกันท่านมีอะไรจะสนทนาไต่ถามข้าพเจ้าก็เชิญถามเถอะขอบคุณท่านแกการคลอกาสาวพัดของท่านข้าพเจ้าพอจะทายได้ว่า ท่านเป็นพระสมณะสาคยบุตรบวชอุทิศพระสมณะคูดมใช่หรือไม่ความเข้าใจของท่านถูกต้องแล้วข้าพเจ้าได้สะดับมาหมากเกี่ยวกับกิตติคุณของพระสมณะคูดมแต่ข้าพเจ้ากลไม่มีโอกาสได้พบพระพักและได้ฟังคําสอนของพระองค์ข้าพเจ้าแกงอมมากแล้ว ไม่มีกำลังพอที่จะเดินทางไปเฝ้าพระองค์ได้แล้วอีกประการหนึ่งข้าพเจ้าก็ยังไม่แน่ใจว่าคำสั่งสอนของพระองค์จะถูกต้องดีเหมือนคำสอนของเราซึ่งบรรดาฤาษีมุนีแต่ก่อนได้สะดับรับฟังจากผมโดยตรงหรือไม่ข้าแต่ท่านนักพรตข้าพเจ้าเองขอสารภาพว่า ข้าพเจ้ามีความรู้ความเข้าใจน้อยในลัติอันเก่าแก่ของท่านไม่ค่อยมีโอกาสได้ศึกษาเมื่อยังอยู่ในวัยพรหมจารีควรจะได้ศึกษาชีวิตของข้าพเจ้าตอนนั้นก็ระหกระเหินไม่จะเกิดในครอบครัวที่ยากจนเข็นใจได้บวชในธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าแล้วก็ตั้งหน้าศึกษาและปฏิบัติ ต, ตามแบบในลัตินั้นฝ่ายเดียวนับว่าเป็นลาภของข้าพเจ้าที่ได้มาพบท่านคืนนี้ ถ้าท่านไม่ขัดข้องข้าพเจ้าอยากจะถามปัญหานี้ในลัทธิของท่านเพื่อปรึกษาเปรียบเทียบกับลัทธิของข้าพเจ้าเฮ่เฮ <c oughs> ่เฮชิญท่านถามตามสบายท่านผู้มีอายุข้าพเจ้ายินดีจะสาธยายให้ฟังตามความรู้ความสามารถขอบคุณท่านผู้ทรงพรปัญหาแรกของข้าพเจ้าก็คือ อยากทราบบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับตัวท่านเองท่านสละคารวาสวิสัยออกดำรงชีวิตบริสุทธิ์นี้ตั้งแต่เมื่อไหร่นานมาทีเดียวตั้งแต่ขาพเจ้ามีอายุสิบหกปีแล้วตอนนี้ล่ะขเจ้าอายุเท่าไหร่แล้วขาพเจ้าก็แปสิบแล้วขาพเจ้าอยู่ในสมณเพศมาแล้วไม่ร้อยกว่าหกสิบปีท้าอาจจะแปลกใจว่า ทำไมขบัตเจ้าจึงสละโลกตั้งแต่ยันลมน้องหินนัดเพราะตามปกติกุลบุตรจะออกสู่สมณวิสัยก็ต้อเมืลล่อลวงเข้าไว้แคร า, ามีพัญญาและกะบุตรสืบทะกุลเป็นฝั่งเป็นฝาแล้วตามหลักของพระมรูบุรุษจะต้องผ่านระยะทั้งสีชีวิตมาก่อนอะไรบ้างสีชีวิต ผมมัารีคารุษฎ์วันประลัดและก็สัญญาสีแล้วทำไมท่านจิงไม่ทําให้ครบละ่ะข้าพเจ้าเป็นคนวันณระพรามจึงกระโดดข้ามระยะคารุษฎ์และวันปรัดมาสัญญาสีเลยและเหตุใดท่านจิงละคารวาตเป็นหนุ่มน้อยเพราะมีเหตุหน่าเศร้าใจเกิดขึ้นในชีวิตของข้าพเจ้า เหตุนั้นคืออะไรเทพระเจ้าเบืองบนลงโทษหมู่บ้านของเราโดยส่งผู้ผีปีศากร้ายลงมาฆ่าชีวิตมาดุบิดาและก็ามารดาข้าพเจ้าได้ทิ้งแก่มรณะกรรมในเวลาไรลีกันยังความเศร้าความสังเวชสลดใจและความเบื่อหน่ายโลก ให้เกิดแก่ขปเจ้าอย่างมากมายขพเจ้าจึงตัดสินใจออกบวชเป็นสัญญาสีตั้งแต่บัดนั้นรู้สึกว่าชีวิตของท่านมีส่วนคล้ายกับชีวิตของขพเจ้ามากมีข้อแตกต่างอยู่บ้างตอนออกสู่สมณเพศท่านออกเพราะความสังเวชสลดใจออกด้วยตนเองแต่ขพเจ้าอยากได้ฟังคําสั่งสอนของผู้อื่น แต่ข้าพเจ้าอยากถามนิต่อไปว่าในการถือเพศและสัญญาสีนั้นมีพิธีปฏิบัติยังไงบ้างเฮ้รู้สึกว่าท่านไม่มีความรู้เกี่ยวกับพิธีกรมอันเก่าแก่ของเราเสเลย ไม่รู้จริงๆเพราะไม่เคยเรียนมาก่อนเอาเถอะเอาเถอะเมื่อท่านไม่รู้ขเทพเจ้าก็จะเล่าให้ฟังขเทพเจ้าพร้อมจะรับฟังอยู่แล้วเมื่อตัดสินใจสละโลกแนนอนแล้วเทพเจ้าก็ไปหาครูผู้ประกอบพิธีและเชิญพรามในหมู่บ้านและใกล้เทียงมาเป็นสักขีพยาน ข้าพเจ้าต้องเตรียมผ้ากาสาวผัด ส, สีเหลืองแก่ไว้สิผืนสผืนสำหรับตัวเองครองอีกหกผืนให้เป็นฐานแก่พราหมณ์ต้องเตรียมทำไม้เท้าไม้ไผ่มีเจ็ดคอยาวเท่ากับความสูงของข้าพเจ้าสำหรับปิดตัวไปทุกแห่งหุ่นเตรียมหาหนังเสือดาวเสือเหลือง แล้วก็เสื้อโครงหนึ่งผืนสำหรับใช้ปูนั่งและนอนจัดขารองเท้าทำด้วยไม้หม้อท้องเหลืองสำหรับตักน้ำใช้สรุปกันเสลยว่าพิธีทั้งหมดกบลงด้วยการให้ของทยาานต่างๆแต่คู่พรามและพรามภูเป็นสักขีพยานทั้งหลายท่านอยากจะถามอะไรอีกไหมล่ะ ข้าพเจ้าก็จะถามปัญหาสำคัญเลยทีเดียวคืออยากทราบว่าจุดประสงค์สูงสุดในลทัทธิของท่านคืออะไรคือการที่อตมันของแต่ละคนเข้าไปรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับอตม่าใจหรือปรมาตมันแล้วกดสเสวยสุขสัวนิรันดรในปรมาตมันนั้นวิธีปฏิบัติเพื่อเข้าถึงปรมาตมันนั้นมีอะไรบ้าง วิธีปฏิบัติในลัทธิของเราพอจะแยกออกได้เป็นสองทางคือทางกายและก็ทางใจการปฏิบัติทางกายทำประการใดการปฏิบัติทางกายประกอบโดยการอาบน้ำชำระร่างกายอย่างน้อยวันละหึงครั้งคือในตอนเช้าถูกเป็นกิจที่จะขาดเสียไม่ได้ อาสมเราจึงมักตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำลำทานร้วยหนองคลองบึงเสมอการอาบน้ำเนี่มีจุดประสงค์เพื่ออะไรบ้างประการแรกก็เพื่อชาระร่ากายให้สะอาดประการที่สองก็เพื่อทําระกายให้สะอาดเพราะเมื่อกายสะอาดดีแล้วกายก็อยอมจะปลอดโปรง่งสบายสะอาดไปด้วย นอกจากอาบน้ำชำระ ก, กายแล้วยังมีอะไรอีกหลังจากนั้นกวาเอาขี้เท้ามาทาจนทั่วตัวอาแล้วกันทำไมท่านจะต้องทำทาแปลกใจด้วย ต้องมาท่านอาบน้ําชำระ ก, กายสะอาดดีแล้วทําไมต้องเอาขี้เท่าทาตัวด้วยจะไม่เป็นการทําให้ร่างกายสกรปรกไปกว่าเดิมอีกเหรอข่าแตาผิวเผินอาจจะเป็นไปอย่างที่ท่านว่าได้ความเป็นจริงนั้นตรงกันข้ามตรงกันข้ามยังไงพี่เท่านั้นเป็นสิ่งสะอาดบริสุทธิ์ย่งกว่าสิ่งใด เพราะเป็นสิ่งที่ได้รับการชำระด้วยพระอคณิเมื่อเอาขี้เถ้ามาถาตัวจะทำให้เกิดความรู้สึกเย็นสบายยิ่งกว่านั้นขี่เท่ายังช่วยรักษาความสะอาดของร่างกายได้ด้วยรักษาความสะอาดของร่างกายได้ถูกแล้วช่วยดับกลิ่เหมือใครเลืยบยุง และตัวมาแรงทั้งหลายเกาะจับกายไม่ได้สิ้งใดก็ตามที่ตกลงไปบนกายจะพลัดตกลงไปที่พื้นดินทั้งหมดนอกจากนี้แล้วยังมีประโยชน์อย่างอื่นอีกไหมมีอะไรเหรอท่านผู้ทรงพรการเอาขี้เท่าขาตัวมีความหมายทางถิตใจที่เท่านี่น่ะเหรอถูกแล้ว ขีเทาจะเป็นเครื่องเตือนให้เราทราบว่าแม้ชีวิตร่างกายของเราดีในที่สุดก็กลายเป็นขีเทาเหมือนกันการเอาขีเทาขาตัวจึงเป็นเครื่องเตือนให้เราทอมตัวอ่อนโยนไม่แข็งกระดา้างต่อเทพเจ้าไม่เกิดความปฏิพัฒน์ผูกพันในกาย นั่นเปเหตุผลน่าฟังทีเดียวท่านผู้สงพรนอกจากนี้มีการปฏิบัติยังไงกันอีกในด้านการบริโภคอาหารสัญญาสีจะบริโภคว้นละหนึง่งครั้งสัญญาสีจะบริโภคอาหารวัลลัหนึ่งครั้งถ้าวิสตาเกลก่า ก็ออาหารสามวันบางเจ็ดวันบ้างกึงเดือนบางอาหารที่บริโภค ก, ก็ควรเป็นอาหารเลวอะไรที่ว่าอาหารเลวนะ่ะเห็นผักดองข้าวฟา่างลูกเลยกาขกลือยางสาหร่ายข้าวตันกํายานยาคูไมผลไม แลวก็เงาไม้ในการไปพิาจารณาก็ควรรับพิจาราจากเรือนหลังเดียวแม้ด้เพียงคำเดียวก็กลับออกมาบริโภคคำเดียวแต่อย่างมากไม่ให้รับพิจาราจากเรือนเกินเกตลังนอกจากนี้ยังมีข้อห้ามเกี่ยวกับการพิจาราอีกมากมายยกตัวอย่างสนิทเถอะท่านผู้ทรงโรด ไม่ให้รับพิคษาจากหญิงมีคันไม่รับพิคษาจากหญิงที่กําลังให้ลูกดูดนมไม่รับพิคษาจากที่มีสุนัขอยู่ด้วยแม้ในการบริโภคก็ต้องคืนบริโภคแต่นางบริโภคยังคนทั่วไปไม่ได้รู้สึกว่าท่านมีข้อวัตถะปฏิบัติที่น่าเลื่อมใสมากทีเดียวนอกจากนี้ยังมีอะไรอีกไหม ยังมีอีกมากทีเดียวท่านศากระยบุตรพระเจ้าใครจะขอรับฟังในด้านเกี่ยวกับอาหารสัญญาสีจะต้องบริโภคอาหารตามที่กำหนดไว้เท่านั้นของขบเคี้ยวอื่นๆที่เคยติดมาก่อนเช่นมาพรูก็ต้องวดหมดในด้านเกี่ยวกับแกลบยแพก สัญญาสีจะต้องไม่มีความสัมพันธ์ใดๆกับเซตริเพธอย่างเด็ดขาดแม้แต่จะมองก็ไม่ได้นอมก็ไม่ได้ถูกแล้วและคุกๆหนึ่งเดือนสัญญาสีจะต้องโกนผมและลนดแต่เพื่อไม่ให้เสียเวลาในการโกนบ่อยๆสัญญาสีส่วนมากจึงใช้วิธีถอนผมและโลวดทิ้งซะ แต่ข้าพเจ้าเคยเห็นสัญญาสีบางพวกไม่โกลนผมแต่ก้าผมเป็นขมวดไว้ข้างบนบ้างคว้านเป็นเกลียวเกลียวห้อยย้อยลงมาบ้างสัญญาสีพูดนั้นนะ่ะไม่ใช่พัวที่มาจากวัณนนะพรามแต่มาจากวัณนนะอื่ น, นๆเช่นแพศูตรแต่ข้อวัตรปฏิบัติอื่นๆก็เป็นแบบเดียวกัน จะต้องใช้รองเค้าทำด้วยไม้ให่เท่ากันจะใช้ลองเท้าทำด้วยหนังสัตว์ไม่ได้ไม่ว่าจะเดินทางไปทางไหนสัญญาสีตอ้องนําบขานทั้งสามมีไม้เท้าเจ็ดป้อหม้อน้ำทองเหลืองและหนังเสือไปด้วยในระหว่างเดินทางจะหยุดพักในสถานที่ที่มีคนอยู่ไม่ได้นอกจากนี้ ยังมีข้อปฏิบัติทางปลิดย่อยอีกมากซึ่งข้าพเจ้าไม่สามารถจะจะไหนให้หมดขึ้นได้เท่าที่ท่านบรรยายมาเนี่ยก็นับว่าเป็นหลักปฏิบัติใหญ่ที่น่าสนใจพอแล้วข้วาพเจ้าไม่ต้องการข้อปลิกย่อยใดๆแต่อยากทราบว่ามีสิ่งใดบ้างหรือไม่ที่ท่านจะต้องเคารพบูชามีสีท่านสาเกียบุตรอะไรท่านจะส่งผลไฟ